ตอบคุณพระเจ้า <c oughs> กลับมาจากประเทศกัมพูชามาคืนนะครับก็เราเห็นพระคุณของพระเจ้าในประเทศกัมพูชากับคนกัมพูชานะครับนั้น ถ, ถ้าเราไปดูแล้วก็แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที <c oughs> เ่เต็มไปด้วยความเคว้งคว้าง บ้านก็อาจจะสิ้นหวังพราะไม่รู้จะทําอะไรนะฮะนั้นบางคนอาจจะกลับบ้านชว่วคราวเมื่อเราออกไปตามบ้านนะ <c oughs> เพราะคราวนี้ไปไม่ได้ไปอยู่ที่โบสถ์ออกไปตามบ้านในชุมชนพอเขาขอญาติใหญ่บ้านในการไปพูดคุยกับบ้านที่เขานัดไว้นะะ <c oughs> แล้วก็มองเห็นภาพพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ถึงแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่ก็ เต็ไมไปด้วยความหวังใจเต็มด้วยความชื่นชมดีเต็มด้วยความกระตือร้นก็คือคนที่มีพระเจ้าในหัวใจและมีความกระตือร้นอยากเห็นคนได้มาพบกับพระเจ้านั้นกันไปข้างนี้ก็เห็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าพุ่นกลุ่มนี้นะก็ถึงมีกลุ่มที่ดีเพราะว่าเขาเริ่มมารวมตัวกันแม้แต่คนละคณะคนนิกายแต่ก็มาร่วมช่วยทํางาน สีบ้านจะหลายบวชมาร่วมอ่าในการออกประกาศตามหมู่บ้านด้วยกันถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่งตัวเองแรงตราพวกนี้ยก็ามาร่วมด้วยช่วยกันในการทํางานต่างนี้นั้นเป็นการให้กําลังใจเป็นการหกำลังใจเพราะว่าประเทศกัมพูชาก็คล้ายๆกับเอประเทศไทยเมื่อสมัยคนก่อนคือว่าต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันแล้วก็ออเเหงาบ้างแล้วแต่กรณี แต่เมื่อเขาเห็นการรวมตัวขึ้นและมีผลดีเป็นกลำลังใจก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากมีพักมีพวกมีคนคอยคุยด้วยกันแรงต่างพวกนี้ยแล้วก็เขาพยายามเรียนเท่าที่สามารถเรียนได้นะฮะก็มองเห็นในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นแล้วพระคุูเจ้าก็ปรากฏเด่นชัดในถ้ำกลางเ อ, อพวกเขาทั้งหลายแต่ละคนนั้นเมื่อเราไปเห็น <c oughs> เราก็ใจหนึ่งก็โอเคก็แหม เขาแยงจริงนะคือตามบ้านเนี่ยจะเหมือนกับประเทศไทยเมื่อ ย, ย้อนมาสักสี่สิปีที่แล้วเนี่ยคือบ้านตามชนบทก็จะมีคนแก่เด็กและก็แม่แม่บ้านนะครับส่วนผู้ชายก็ไปทำงานต่างประเทศหรือไปทำงานในเมืองใหญ่แต่ถ้าทีมีความแตกต่างนิดหนึ่งสมัยก่อนประเทศไทยเนี่ย คนที่ไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไม่ได้แปลความไม่มีงานทำนะครับแต่ต้องการที่ได้เงินมากกว่าก็เลยไปต้องการได้เงินมากกว่าเลยไปแต่คนกบุชชาที่ออกต้องออกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะฮะแม้แต่เมืองใหญ่ตัวเองก็ไม่สามารถมีงานทำได้ก็เหตุผลเดียวคือว่ามันไม่มีอะไรจะทจริงนะฮะทำไปก็ได้ค่าแรงนิดหน่อย แล้วแต่คนว่าจ้างจะให้มาตรฐานไม่เท่ากันฉะนั้นเข้ามาเมืองไทยนี่เขาก็สบายใจมากเพราะกฎหมายบังคับว่าแม้นคนต่างชาติก็มาตรฐานเดียวกันคือค่าแรงขั้นต่ำ3ามร้อยเท่ากันนะฮะ น, นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เลยคนหนุ่มคุณสาวเนี่ยนะฮะก็จะพยายามมาทำงานต่างประเทศอยเ่พาะเมืองไทยใกล้ๆถ้าเกิดมีลูกก็จะกลับไปบ้านโดคอดลูก พอคลอดลูกเสร็จแล้วก็ให้ตากรยายรือปู่ขุนเจ้าเลี้ยงแล้วก็กลับมาทำงานเมืองไทยใหม่นะฮะก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะแต่และขอบคอุณพระเุ้ า, าทีุ่ิพจอกนั่นกระตือข้ น, นตรงขุนพ่อขุนิ่อขุนพยายา่อขุนจ่กคุนพ่อขนพ่อขุนพ่าขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่าขุนพ่อขุนพ่กขุนพ่าขุนพ่อขุนพ่อนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุนพ่อขุม่อขุนใ่อขุนพรอขุม่อขุนพนพ่ออนอ ไม่มีรายทำตามตามความสามารถจะทำได้นั่นคือคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามใช้ความรู้ที่มีจากเมืองไทยก็ไปทำสิ่งต่างไปทําการเกษตรเลี้ยงกงเลี้ยงกบอะไรต่างก็คิดไปเลยนะฮะแล้วก็มีพยายามที่จะทำสิ่งต่างที่เป็นต้นแบบที่ดีในชุมชนนั้นคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยพยายามจะออกไปพหาเงินแต่คนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพยายามกลับบ้าน ถ้ารู้ว่าสามารถทําไปได้นั้นจริงเทพกัมชาก็ทําได้หลายอย่างถ้าเขามีความรู้มีความเข้าใจบางอย่างแล้วก็ปัญหาของเขาคือว่าก็คงเหมือนประเทศไทยมั้งคือทําทําแล้วไม่มีที่ขายก็เริลมไม่อยากจะทำนะั่นคือสภาพเดียวกันอย่างหนึ่ ง, น, งนั้นก็นี่คือพระคุณพระเจ้าที่ปรากฏในในธรรมการคนที่เคว้งคว้างและก็ไร้สิ้นหวังและพระคุณเจ้าที่ปรากฏในธรรมการงคนที่เชื่อในพระเจ้า ว่าเขากระตือร้อนพระเจ้าแบบไหนนั้นเพราะพระคุณนะฮะเราจึงอยู่ได้นั้นถ้าถามว่าเหตุที่เรารักพระเจ้าเหตุที่คริสเตียนในกัมพูชารักพระเจ้าหรือเราเองนะคริสเตียนไทยที่รักพระเจ้าเปาโลรักพระเจ้าไม่เพาะพราะเขารักพระเจ้าไม่ใช่แต่เพราะพระคุณพระเจ้าที่อยู่ในตัวเขาทําให้เขารักพระเจ้า ดาวิด <D ar v ide> รักพระเจ้าไม่ใช่เพราะเขารักพระเจ้าไม่ใช่อยู่ๆก็รักพระเจ้าแต่เพราะคุณพระเจ้าในตัวของดาวิดทําให้เขาเนี่ยรักพระเจ้านั้นคนกัมชาก็จะตกอยู่ในสภาพยิ้มกันว่า <S <S 2> <S 2> เขารักพระเจ้าเพราะเขาเห็นพระคุณพระเจ้าที่ทํางานอยู่ในตัวของเขานะครับ <S <S 2> <S 2> นั้นพูดง่ายว่าไม่มีใครรักพระเจ้าด้วยตัวเขาเองด้วยความรู้สึกนึกคิดตัวเองไม่มีนะฮะนอกจาก สัมผัสได้กับพระคุณพระเจ้าในตัวของเขาเป็นผู้ที่จะทํางานในตัวเขาพระคุณพระเจ้าที่ทํางา น, นตัวเขาแหละทําให้เขารักพระเจ้านั้นเปาโลจึงบอกกับแพรบอกกับคริสเตียนว่าแต่ทั้งหลายจงเห็นแก่พระคุณของพระเจ้านะจงถวายตัวงท่านแด่พระเจ้าพระคุณพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเราอันนั้นคือสิ่งที่ เปโลพยายามพูดถึงฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจมาทําความรู้จักพระคุณพระเจ้าเราชอบพูดถึงพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้านะนะครับแต่บางคําบา ง, งคาดูเหมือนว่าคุณพระเจ้าไร้ซึ่งตัวตนนะแต่จริงๆพระคุณพระเจ้ามีชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เรานั้นต้องทบทกลับเข้าใจพระคุณพระเจ้าเนี่ยเอคืออะไรนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนั้นเรต้องมาทําความเข้าใจนะครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างไรแล้วเรา ควรจะเรียนรู้จะเคลื่อนไหวไปกับพระคุณพระเจ้าแบบไหนนะฮะหลายครั้งหลายคาเราสัมผัสได้พระคุณพระเจ้าในตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะเคลื่อนไปตามเลยไปตามการเคลื่อนไหวของพระคุณพระเจ้าในตัวของเราและสิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้ว่าผลแห่งการเคลื่อนไหวนะไปกับพระคุณของพระเจ้าในตัวของเราฉะนั้นผมใช้คาพูดนี้กันว่าพระคุณเนี้ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรการสํานึกในบุญคุณอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเหมือนเป็นสิ่งที่ เป็นมีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ในตัวของเราซึ่งเราสามารถสัมผัสได้สามารถปรับปรู้ได้เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้มองเห็นนะครับเราร่วมใจฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกรุณาของเจ้าที่มีต่อข้าพองค์หลายข้าพเจ้าวอวยพรพระพระคำของพระองค์ความเพียทุกตอนรับการนุนใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตั่เตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระองค์จะพักพร้อมในการทําการอย่างไว้พรในข้าหลายทุกคนในการเข้าใจในพระญเจ้าโดยการแสำแดงพุ่มหยาสุดของพุ่มหยาสุดต่างๆตามชอบนาำประไทายพระเจ้าทุกประการจึงสรรเสริญและขอบพระคุณในความรักขององค์พระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูพระเจ้าอาเมนก็บรรดานักศึกษาที่ไปด้กับผมก็ไปเห็นสิ่งต่างนี้นะ ก็มีประสบการณ์ที่ดีกันและจะเห็นพระคุณพระเจ้าในเมืองไทยสูงมากนะครับพระคุณพระเจ้าในตัวเราคืออะไรก็มาทำความมาดูจากเหตุการณ์จริงของหลายๆบุคคลและก็รวมตัวเราด้วยนะบุคคลที่รู้จักดีคือดาวิดพระคุณของพระเจ้าในดาวิดนะครับในสอบทเจ็ข้อแปข้อก้าข้อสิบนะฮะได้บอกว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้ใช้ของเราว่า พระเจ้าจอมยุทธาตรนี้ว่าเราเอาเจ้ามาจากทุกญ่าจากการตามผูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนือสเตรนประชากรของเราเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนและได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะทาให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างที่ชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลกราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้า จะมังวงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิดและบรรลังของเจ้าถูกสถาปนาไว้เป็นนิดอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับดาวิดเพราะการก่อนหน้าดาวฤกษ์ดาวิดมีใจอยากจะสร้างพุทธิหารให้กับพระเจ้าเพราะตัวเองอยู่ในคาราฮาร์หรือในวังที่ดีแต่เมื่อมองไปนอกเห็นพวกทางพระเจ้าเนี่ยรู้สึกมันสมโสมเก่า โดยความรักของพระเจ้าดาวิดอยากจะสร้างวิหารให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าแต่งภาพไม่ใช่โครงการของเจ้านะพระเจ้าก็เตรียมไว้แล้วว่าใครจะเป็นคนสร้างแต่พระเจ้าว่าเหตุที่พระเจ้าว่าเจ้าคือใครที่จะมาสร้างวิหารให้เราอ่ะถ้าพูดตรงไปตรงมานะเจ้าเราเอาเจ้ามาจากไหนมาจากทุ่งหญ้า จากการเลี้ยงแพะแกะเพื่อ จ, จะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและพระเจ้าพูดว่าเราอยู่กับเจ้าแล้วกำจัดศัตรูให้เจ้าและทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเหมือนคนในโลกนี้และพระเจ้าสัญญาว่าราชวังของเจ้าจะไม่ขาดดำรงคนที่อยู่ในการนั่งบรลังอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับดาวิด พระเจ้าย้ําว่าเจ้าเป็นใครนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งพระเจ้ากาลังทบทวนให้ดาวิดเห็นว่าเจตนาดีของดาวิดก็ดีไม่ใช่ ม, มีไม่มีปัญหาแต่พระเจ้าอยากมองเห็นว่าการที่จะทําอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการว่าอะไรเป็นเหตุให้ดาวิดมายืนตรงนี้ได้ทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วมาจากพระเจ้าและดาวิดก็เข้าใจเรื่องนี้ดี เข้าใจดีจริงๆว่าล้วนแล้วมาจากพระเจ้าเขาเป็นใครถ้าเราอ่านต่อไปจะเห็นว่าดาวิดก็เมื่อได้ยินเมื่อนาทันได้บอกดาวิดว่าพระเจ้าตอนนี้ดาวิดก็คุกเข่าต่อพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าข้าพรองค์รู้ว่าข้าพรองค์เป็นใครกลายเป็นคนผู้เล็กน้อยไม่สมควรนะไม่สมควรนั่นคือสิ่งที่ดาวิดได้ทบทวนกับพระเจ้ า, ากันว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่สมควรพระเจ้าพูดว่า พระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาจะต้องทบทวนให้ดีทําอะไรเพื่อพระเจ้าแต่ให้ทบทวนพระคุณพระเจ้าในชีวของเขาให้ดีหลายครั้งหลายคราเราบอกจะทํานู่นทํานี่เพื่อพระเจ้าทำนู่นนี้เพื่อพระเจ้าก็ก่อนจะทําสิ่งนั้นก็ทบทวนพระคุณพระเจ้าในตัวเราก่อนเพื่อเราจะสามารถทําถูกว่าเราจะทําอะไรนะไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึ ก, กดี นะครความสึกดีความสึกดีอา จ, จเป็นเรื่องของศาสนาอยากทํานูน่ทนทํานี่ให้นั่นให้นี่อย่างๆให้ดูมันสวยงามแต่มันทํามาจากอะไรทํามากระจากการสํานึกในพระคุณหรือทํามาจากอะไรหรือทําเพราะอะไรนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าก็ทบทวนอาวิธว่าไอการจะสร้าง วิหารพรงษ์นันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะเพราะว่าสิ่งต่างนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการแต่ที่พระเจ้าต้องการคือว่าดาวิด ต, ต้องรู้จักตัวเองว่ามาจากไหนพระเจ้าทําอะไรกับเขาบ้างพระเจ้าการให้ดาวิดสํานึกในพระคุณของพระเจ้ามากกว่ามากกว่าที่จะทาอะไรให้กับพระเจ้าอันนั้นคือเรื่องจริงไหมแ ต, แต่เราทุกวันเนี่ยที่รับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าเนี่ยนะ ผมเองก็ดีใคร ด, ดีเราพูดเราทําเพื่อพระเจ้าเราก็พูดผิดนะครับเราก็พูดผิดแต่สิ่งสาคัญที่พระเจ้าเราทือว่านึกถึงสํานึกถึงนะพระคุณของพระเจ้าที่ปรุงมีต่อเราอันนี้เรื่องใหญ่เพรนั้นพระเจ้าก็ทบทวนเว้ยเอาละขอบใจที่สร้างวิหารให้เราแต่เจ้าเป็นใครและสิ่งสำคัญเราต้องการหรือเปล่า พระเจ้าบอกไม่ต้องการแต่ล拉ได้ความหวังดีแต่เจ้าไม่สร้างเพราะว่ามืองเจ้านี่เต็มไปด้วยสงครามนะมือเปื้อนเลือดเยอะมากจากสงครามที่เกิดขึ้นแต่จะให้ลูกเจ้าสร้างแต่ก็ไม่สร้างเพื่อเราจะอยู่วิหารถูกสร้างเป็นแค่อนุสรณ์สถานจะพูนตรงไปลงมาเนี่ยวิหารคนยิวเนี่ยไม่ถูกสร้างมาให้พระเจ้าอยู่แต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าพระเจ้าใหญ่ยิงย่งใหญ่ พระุงก็เปรียบเทียบว่าตอนที่เดินทางเนี่ยออกจากประเทศอียิปต์เนี่ยนะพระพราหมาถามว่าพระเจ้าอยู่ในพระพลาเปล่าเปล่าประดาวิธีิดภาษาคนไงโอพระเจ้าอยู่ในพระพลาเล็กๆกลางแจ้งเนียไอเราอยู่ในวังก็คิดงันนะคิดตาาพระเจ้าเราไม่อยู่ในพระพลานะฮะเรายิ่งใหญ่กว่านั้นและการสร้างวิหารมาเราก็ไม่อยู่ในวิหารหรอก แต่โอเคจะให้สร้างเป็นเพียงแค่อนุสาวสถานเพื่อลึกถึงพระเจ้าไม่ใช่ให้พระเจ้าอยู่นะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทบทวนกับดาวิดฟังว่านั้นสิ่งเดียวที่พระเจ้าพยายามหนุนใจดาวิดว่าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าทบทวนพระคุณของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญอับราฮัมก็ดีโยเซฟก็ดีโมเสก็ดีเหมือนกันหมดอับราฮัมเป็นใครนะฮะ ไม่ไดนผู้ยิ่งยยใหญ่มาจากไหนเลยแต่พระเจ้าก็เรียกเขาออกมาจากบาบิโลนนะฮะแล้วก็มาจากคารานแล้วก็มาที่คานาอันนะฮะแล้วทรงสัญญาว่าจะให้แผ่นดินคานาอันกับเขาสัญญาว่าเขาจะเป็นบิดาของกวงประชาชาติสัญญาว่าเขาจะเป็นพรให้กับคนทั้งชาติทั้งโลกนั้นพระเจ้าสัญญาแต่อับราฮัมเป็นใคร อับราฮัมสํานึกในพระคุณพระเจ้าโดยเฉพาะตอนมีอิสหักในงั้นอับราฮัมไม่ยอมที่จะเขาไว้สหัสกับพระเจ้าเขารู้ทุกอย่างเป็นพระคุณพระเจ้าเขามีลูกได้ไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะพระคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึนโยเซฟนะโดยธรรมชาติถูกขายไปแล้วเป็นทาสโอกาสจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหะยิบแท้จะไม่มีเลยแต่โดยพระเจ้าก็หยิบโยเซฟขึ้นมา เพื่อจะเป็นตัวแทนของชนชาติอิสราเอลในการช่วยกูกอิสราเอลนั้นคือเพราะคุณพระเจ้าไม่ใช่เพราะความสามารถของโยเซฟการทนายความฝันของโยเซฟไม่ได้เกิดจากความสามารถแต่เกิดจากพระเจ้าสําแดงคนที่เป็นหมอดูคนที่มีความชํานาญองการดูหมอดูต้องอาศัยความสามารถต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยทําความเข้าใจต้องอาศัยการดูดวงดูดาว ต้องอาศัยดูต่างๆและแต้อมีความจานานเท่าไหร่ก็ดูได้แม่นมากขึ้นทั้งหมดเนี้ยแต่โยเซฟไม่อาศัยพวกนี้เก้าสายพระเจ้าสำแดงว่าไงเขาพูดตามที่พระเจ้าสำแดงอันนั้นคือสิ่งที่โยเซฟเข้าใจและตรงนี้เองทําให้คนเห็นว่าโยเซฟมีพงยาณของพระเจ้าโมเสสเมื็นการเป็นใครนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้าธรรมดาเนี้ยตายไปแล้วกลางน้ํา ถูกลอยใสยต่ตะกร้าไปในแม่น้ําแต่โดยพระคุณพระเจ้าใครขีดดาฟาโรวบพวกและเก็บเลี้ยงไว้เพราะพระเจ้าปรารถนาให้โมอเสสเป็นผู้นําชนชาติอิสอเอนออกจากประเทศอิบพระเจ้ารู้ว่าอิสอเอนจะตกเป็นทาสในอยิบและพระเจ้าเตรียมโมอเสสไว้เพื่อจะพาชนชาติเศษออกจากประเทศอิบไม่ใช่เพราะความสามารถของโมอเสสไม่ใช่ว่าความเก่งของโมอเสสไม่ใช่ว่ามอเสสเป็นคนมีความรู้ พอโมเสรสล้มเหลวมาทิ้งแล้วและเก็ดขยันหนีออกไปอยู่ที่นุ่งแดงสี่สิบปีเมื่อพระเจ้าใช้เขาเขาบอกเขาพูดไม่เป็นเขาทําอะไรไม่เป็นนะฮะทั้งๆตัวเองมีความรู้เต็มเปี่ยมนะพระเจ้าบอกจะให้่านชัเสนอใจว่าโอ้ข้าพระเจ้าภูดไม่เป็นข้าพระเจ้าพูดไม่เก่งข้าพระเจ้าจะทําอะไรข้าพระเจ้าไม่มีอะไรนะครับปฏิเสธทุกเรื่องเลยนะฮะแต่ท้ายพระเจ้าก็ให้โมเสสยอมและพระเจ้าก็สอน และพระเจ้าเขานําคนชาติเศนออกจากประเทศอียิปต์จากการเป็นทาสอันนั้นคือสิ่งพระคุณเจ้าที่ล้วนๆอยู่ในตัวขเขาคนเหล่านี้รู้ว่าทุกอย่างทุงอย่างเกิดขึ้นโดยพระคุณพระเจ้าที่กระทํากิจอยู่ภายตัวเขาไม่ใช่โดยตัวเขาเองนะพระคุณของพระเจ้าในตัวเปโอลเหมือนกันครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกาหนดเพราะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยสุดในพวกเขาทูก และไม่สมควรให้ชื่อว่าเป็นอักขรูตเพราะว่าข้าพเจ้าเขี่ยวเข็นขี้จักของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้อยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าไม่ได้ไร้ประโยชน์ตรงข้ามข้าพเจ้ากับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำแต่พระคุณพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากเป็นผู้กระทำ โ罗นี่มีความชัดเจนชัดเจนว่าเขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะความเก่งในฐานะเป็นฟาริสีชำนาญในธรรมัญญัตของพระเจ้าเป็นคนที่เคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีคนหนึ่งพร้อมควรแต่保罗รู้ว่าสิ่งต่างนี้ไม่ใช่เพราะครั้งหนึ่ง保ลว่าสิ่งดีที่พระเจ้าอยากทำพระเจ้าทาไม่ได้ แต่สิ่งดีที่ข้าพเจ้าเปอยากทำข้าพเจ้าก็ทําอยู่โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพศอะไรเช่นนี้และต่อท้ายว่าแต่ขอบคุณพระเจ้าโดยพระเยสุพิธข้าพเจ้าจึงสามารถดำเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้อันนั้นคือสิ่งที่อยากแกนุในใจมองเห็นว่าเปาโลชัดเจนว่าเขารู้ว่าที่เขาทําได้ทุกวันนี้ไม่ใชเ่เพราะว่าเขาเก่งที่เขาทํางานหนักทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะเขามีความสามารถแต่เขาสํานึกในพระคุณพระเจ้าและทําทําทําตามความรู้สึกที่พระเจ้าให้เขาสํานึกได้ว่าพระเจ้ามีบุญคุณมีพระคุณต่อเขามากขนาดไหนยิ่งสํานึกมากก็ยิ่งทํามากนั้นบอกว่าเราสํานึกในพระคุณพระเจ้ามากแต่ไม่ทําำเลยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ ถ้าเรารู้เราเป็นหนี้บุญคุณใครเราก็อยากจะใช้หนี้แต่บอกว่าเราเหมือนเป็นหนี้บุญคุณแต่เราไม่คิดจะใช้หนี้เราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเอาเมือมเรามีตัวอย่างเยอะบางครัง้งบางคาบางคนเนี่ยเรา อ, ى, อาถรรพ์เราช่วยเขาเนี่ยเท่ากับเขาเป็นหนี้บุญคุณเราแต่ถ้าเขาไม่สํานึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาเขาไม่ทําอะไรเข้าใจไหมเขาก็ไม่ทําอะไร แต่เมื่ อ, อไรก็ตามแต่ที่เขาสํานึกว่าเขาไ่ดีบนคุณเราเขาอยากจะหาทางที่จะตอบแทนพระคุณตอบแทนบุญคุณทํานองเดียวกันถ้าคิดจากคริเสเตียนของพระเจ้าผู้เชิญพระเจ้าสํานึกในบุญคุณพระเจ้าสิ่งที่ตามมาถึงคือว่าอยากจะตอบแทนพระคุณไม่ว่าอะไระตามแต่ไม่ว่าจะหนักเมื่อจะขนาดไหนก็อยากจะตอบแทนไม่ว่าจะลําบากขนาดไหนก็อยากจะตอบแทน นั้นวิถีชีวิตของคริสเตียนที่เราทํางานรับเจ็บเจ้าไม่ใช่เพ้ะเราอยากจะทําให้แต่เป็นความสมึกในพระคุณและอยากจะทําเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถนั้นเปาโลว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าทําเองไอ้ที่ข้าพเจ้าทําทําทําทําเนี่ยและไอ้ทามากกับบางคนหลายเท่าตัวซ้ําไปไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าแต่เพราะคุณของพระเจ้าที่มันอยู่ในตัวข้าพเจ้าแหละเป็นผู้ขับเคลื่ อ, น, อนนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูดชัดเจน นั้นพระคุณพระเจ้าในส่วนในตัวเราอ่ ะ, ะ, ด, อะดาวุฒิไก่ดาวิดก็ดีโมเสสก็ดีอับราฮัมก็ดีนะะโยเซฟก็ดีเปาโลก็ดีก็ไกลตัวพร้อมควรนะเอามาตัวเราเองนะพระคุณพระเจ้าในตัวเรามีอะไรบ้างในยอห์นหนึ่งข้อสองว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ต้อนรับพระงผู้เชื่อในพระนามโปรง่รงโปร่งก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าอันนี้พระคุณมหาสาลอ บางคนพ่อแม่อายจะตายแก่เล็กแล้วเขาเคลงควางไม่รู้จะอยู่ไหนแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งรับเขาเป็นลูกนะฮะเขาจะทราบซึ่งในประคุณยังมหาศาลนั้นถ้าเราไปตามบ้าน เ, เด็กกำพร้าไปอะไรต่างพวกนี้ยหรือเด็กที่มีปัญหาทั้งหลายแหล่นี่นะฮะบรรดาผู้ที่ดูแลจะ ก็จะสอนให้เด็กนีเรียกเจอหน้าใครก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกเห็นผู้ชายก็เรียกพ่อเห็นผู้หญิงก็เรียกแม่เหตุผลมีเหตุผลหนึ่งเพื่อใครจะมีใจเมตตารับมาเลี้ยงเป็นลเป็นลูกบุญธรรมเพื่อใครมีใจเมตตารับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรร ม, รมจมริงๆแล้วก็มีจริงหลายคนไปเห็นแล้วก็ชอบรับหนึ่งคนมา เป็นลูกมันทมเด็กคนนั้นถ้าเขาสำนึกว่าเขาถูกกรับมาเป็นลูกมัรทำเขาจะอยู่กับพ่อแม่คนนั้นด้วยการขอบเพราะคุณเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อลูกจริงๆแต่ถูกกรับมาเลี้ยงเหมือนลูกแต่บางคนก็ไม่คิดแต่คนที่คิดจะคิดอย่างนึงพระเจ้ารับเราในขณะที่เราเป็นลูกกับพรา ีพ่อม่แม่กำลังดูแลกําลังหมายว่าในแร่ภาพของฝ่ายวิญญาณเนี่ยเมื่อเราปรักความบาปทําให้เราเป็นลูกก้พาพ่อความบาปทําให้เราเป็นลูกกับพ้าแม่ไม่มีพ่อไม่ีแม่ดูแลแต่วันหนึ่งพระเจ้ามาหาเราและรับเราให้เป็นลูกบุณธรรมของพระองค์ทุกบุญธรรมพระเจ้าเนะี่ย ลูกแท้มีแต่อง์เดียวคือพระเยซูคริสงั้นนั่นคือสิ่งว่าแต่นั้นคนที่ลูกเขาเจ้าคือว่าคนที่ต้อนรับโปร่งเชื่อในพระนามโปรง่งพระเยซูคริสก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าอันนั้นพระคุณมหาศาลเรามาได้เป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเราเลยเราเป็นใครจริงสมควรเป็นบุตรพระเจ้าไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับคนที่ไปรับ เด็กกำพ้าจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพ้าก็ตามแต่พวกนี้ถามว่าเด็กนั้นมีดีอะไรไม่มีสักอย่างหนึ่งแต่เพราะเขารักเขาสงสารเขาอยากจะเอามาเลี้ยงเราเหมือนกันพระเจ้ารักพระสงสารถามเรามีความดีอะไรไม่มีไม่มีสักอย่างหนึ่งแต่บางคำบางคาผมขอขอขอภยัยขอใช้คำพูดนี้เพราะในฐานะก็เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ํำเนิดนะฮะ เมื่อเราไม่ผมไม่เชื่อพระเจ้าแต่ก็เดินเพราะต้องสมมึกเสมอว่าเมื่อจะทําอะไรก็ตามแต่ผมต้องนึกถึงกําพืชของผมไม่ดีกําพืชของผมก็คือคนบาปคนหนึ่งฉะนั้นผมจะไม่ดูถูกคนบาปทั่วไปจะไม่บอกว่าคนไม่เชื่อพระเจ้ามันแย่เพราะอาดีตก็เคยเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็รับมา นั้นคนนั้นก็มีโอกาสจะกลับมาหาพระเจ้าถ้าเขาต้อนรับพระองค์เชื่อในพระนามพระองค์พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้านั้นผมก็จะไม่ลืมกําพื้นเองว่าเราก็เป็นคนบาปคนหนึ่งนั้นจะไม่ไปอะไรกับใครมากนะไม่ใช่ชื่นชมยินดีกับเขาแต่เข้าใจนั้นไทายาทว่าผีออนไลน์มาเช้านี้ว่า เหตุผลหนึ่งที่ทําให้มนุษย์มีปัญหาว่าเขาเห็นเรื่องต่างๆที่ไร้สาระเป็นเรื่องสําคัญเห็นเรื่องต่างที่ไร้สาระเป็นสําคัญผมยกตอย่างง่ายๆนะเขาเห็นว่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องไร้สาระมาก <c oughs> นะผมไม่ได้แปลว่าขายว่าเงินไม่มีความหมายมีแต่เราไม่จําเป็นต้องให้ความสำคัญเงิน ไม่ใช่ใครเป็นคนให้ค่าเงินใครเป็นคนตั้งราคาเงินเราทั้งนั้นแหละแล้วเงินมีไว้เพื่ออำนวยความตกาตามความจาเป็นของเราแต่เรากลับทำให้มีค่ามีความคันสูงสุดนะพยายามให้มีเยอะๆเยอะมีให้เหลือแค่นั้นนะมีเงินให้เหลือถามว่าเหลือไว้ทำไม ตอบไม่ได้เหลือไว้ทําไมตอบไม่ได้นะฮะคุณหางเยอะว่ามีให้เหลือฮให้เหลือใช้เหลือจ่ายเนี่ยถามว่ามันมันก็ไร้สาระนะใส่เสื้อผ้าต้องแบรนด์เนมดีเชื่อเงินมันก็ไร้สาระนะแต่ผมไม่ได้แปลความว่าเออเราใส่ไม่ได้นะใส่เธอะไม่ใช่ปัญหาแต่จะจะไปยึด ต, ติดกับมัน มันไม่ได้ให้คุณค่าใดกับเราหรอกมันคือเครื่องมือของเรานั่นคือสิ่งสำคัญนั้นการเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นนี่คือพราะคุณพระเจ้าเทพกับเราเราเป็นใครไม่รู้แต่พระเจ้ารักเรานําเราเป็นลูกของพระองค์เมื่อเราเชื่อต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตนั้นไปกัมพูชาคราวนี้นะในภาพรวมเนี่ยก็มีคนเชื่อทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยสองร้อยคนไปตามบ้านนะที่มากเลยคือเด็กะเพราะเด็ก ม, มันเป็นกลุ่มอ่ะ ะะเดี๋ยวมคงกลุ่มแต่ผู้ใหญ่ไปตามบ้านแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อนะไม่บางคนไม่คือไม่นะฮะบางคนก็แทงกักไว้เฉยน ะ, ะแต่บางคนเชื่อคือเชื่อแล้วก็นั่นคือสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ใช่แปลว่ามันจะง่ายเสมอไปไม่ใช่นะฮะนี่คือสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นพราะขุนพ่อเจ้าเราคือว่าฉะนั้นเราจรึงเป็นทูตของพระพิทั์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายโดยที่พระเจ้าทรงร้องขอทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคิดให้คืนดีกับพระเจ้าเราเป็นทูตของพระคิดพระเจ้าเราเป็นลูกแล้วก็ใชใ้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้นั่นคือเราก็มมีอะไรฮะแต่ใชใ้เราเป็นตัวแทนเรามีค่าอะไรมีความหมายอะไรไม่มีแต่เรามีค่าอย่างเดียวคือว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จึงใช้เราเป็นตัวแทนพระองค์ในโลกนี้เป็นทูตของพระองค์ เป็นผู้ที่จะมาในานามของพระเยซูเป็นผู้ทำสิ่งต่างในานามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะคุณพระเจ้าในเราคือว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำะพระองค์ผู้ทรงมีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทา ง, รงพระองค์เพราะคุณเจ้าคือว่าทำไงจะรับเราเป็นลูกของพระองค์ก็คือต้องกํ า, ากกจัดบาปชั่งเราก่อนและวิธีกําจัดบาปชั่งเราคืออนะไรพระองค์มาตายไถ่บาปแทนเรามารับบาปผิดบาป โทษในความผิดบาปแทนเราและเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมคาว่าคนชอบธรรมไม่ได้แปลความว่าคนทำชอบแต่คนชอบธรรมนี่แปลว่าเป็นคนที่ได้รับอภัยโทษแล้วงั้นคนที่ได้รับอภัยโทษจากในคุกเนี่ยนะฮะอภัยโทษเนึ่งวันนั้นเนึ่งวันนี้อภัยโทษอภัยโทษสุดท้ายโทษหมดเขาก็กลายเป็นคนชอบธรรมคือเป็นคนไม่มีโทษ คำว่าเป็นผู้ชอบธรรมนี้คือเป็นคนไม่มีโทษอีกต่อไปแล้วไม่ได้แปลแปลว่าเป็นคนดีต้องทําความเข้าใจนะคริสเตียนที่บอกว่าเป็นคนชอบธรรมไม่แปลว่าคุณเป็นคนดีแต่แปลว่าคุณเป็นคนที่ได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโทษแล้วไม่มีการลงโทษรับคุยต่อไปในเรื่องความบาปอันนั้นต่้งหากคือความชอบธรรมและหลังจากเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ เราต้องเรียนรู้จักการทำชอบเพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าการทำชอบมันมาทีหลังแต่การชอบทำมาโดยพระเจ้าและเมื่อเราสำนึกในพระคุณพระเจ้าจงเรียนรู้จักการทำชอบเพื่อตอบแทนพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทุกวันนี้เราเราทำสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าดีและทำดีสุดเพื่อตอบแทนพระคุณพระเจ้าไม่ใช่เพื่อแสดงออกว่าฉันเป็นคนดีไม่ใช่ ถ้าทำเพื่อบอกว่าฉันเป็นคนดีคุณก็ได้ไปก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ทำเพราะว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพระเจ้าอันนั้นพระเจ้าจะรับเกียรติพราะคุณพระเจ้าคือความรักมหาศาลพระเจ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวของเราฉนั้นเมื่อผมบอกว่าพระคุณพระเจ้าตัวเราคืออะไรก็คือความรักของพระเจ้าอันมหาศาลที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวของเราพระคุณพระเจ้านี้มีชีวิตอยู่ในเรา เราใจกระตุน้นให้กำลังใจ <c oughs> หนุนใจนั่นก็สิ่งต่างที่พระเจ้าทำนั้นให้เราทั้งหลายเนีเคลื่อนไปกับพระคุณพระเจ้านะครับวิธีการเคลื่อนไปกับพระคุณพเจ้าคือหนึ่งถวายตัวเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตามพระธรรมโรมยีบสองข้อหนึ่งพี่น้องหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ควา ม, มเมตตากุณนาพระเจ้าพระเจ้าเวันทั้งหลายจงถวายตัวทัานแด่พงษ์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการมัสการดลยานจิตของทั้งหลายเมื่อเราเห็นแก่ความรักความเมตตาพระเจ้าเพราะคุณพระเจ้าที่อยู่ตัวเราสิ่งที่ควรทำดับแรกคือถวายตัวเราต่อพระเจ้าถวายตัวคือยกทั้งชีวิตให้และถ้าพระเจ้าทำอะไรข่าให้ทโดยที่ไม่มีเงื่อนไขก็ต้องสึกไปฮะไม่ใช่ง่ายๆนะ การถวายตัวให้พระเจ้าแบบเงินไขไม่ง่ายด้คิดหรอกต้องฝึกกันไปผมเองก็เหมือนกันบางอันก็ยอมบางอันก็ไม่ยอมไม่ให้ยอมทุกเรื่องนะผมไม่ได้ยอมทุกเรื่องนะมีบางอันผมก็ยอมบางอันก็ไม่ยอมแต่ก็ฝึกไปแล้วจนทั้งสามารถยอมได้อ่ะค่อยๆยอมบาทีละอย่างสองอย่างก็ค่อยยอมไปอย่าเชผมยอมทุกเรื่องนะนะแต่เมื่อเรา ทบทวนสุดท้ายพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถยอมได้ให้เราสามารถยอมได้เพราะพระคุณพระเจ้าที่เคลื่อนอยู่ในตัวของเราเมื่อเราทบทวนแล้วโอ้หพระคุณพระเจ้ามหาศาลนั้นไอสิ่งที่เราไม่ชอบและพระเจ้าให้เราทําก็ ท, ทําเถอะเพราะว่ามันเล็กน้อยกว่าพระคุณพระเจ้าที่มีเรานั้นบางคำขามีเหตุหลายเรื่องที่เราไม่ทําให้เราไม่สามารถ ตอบแทนพระคุณพระเจ้าได้ทั้งทั้งที่ใจอยากจะทําแทบขาดแต่ขอพระเจ้าช่วยทำเชื่อพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ให้พระเยซูเป็นเจ้าชีวิตคาว่าถวายตัวน่ะคือพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิดแล้วข้าพเจ้าเองมีชีวิตต่อไปพระคิดต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตขึงข้าพเจ้าเนิ่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ไปทรงรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อพระเจ้าถ้าพูดยังไงว่าชีวิตที่ข้าพเจ้าเดินอยู่ร่างกายขนานี้ข้าพเจ้าเนินโดยพระคุณของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในพระเจ้าจิตสํานึกแห่งการสํานึกในพระคุณเจ้าที่เต็มล้นในตัวของข้าพเจ้าอันนี้เราเคลื่อนไหวไปตามนั้นจริงๆแล้วการถวายตัวพระเจ้าต้องต้องัสต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้าที่เป็นสิ่งนี้ตัวเราเราจะไม่ถวายตัว ขอพระเจ้าช่วยเรานับพระพรเขาไว้นับนับนับนับสุดท้ายจะยอมได้เพราะพระพรพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดในชิงเรามีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีกเป็นพระคุณซ้อนพระคุณซ้อนพระคุณซ้อนพระคุณแล้วก็ซ้อนพระคุณต้งแต่เชื่อพระเจ้ามา ง, งั้นพยายามจะตอบแทนพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะไงก็ตามแต่นะฮะใครจะว่าไงแบบไหนก็ตามเลย เราทําเพื่อตอบแทนพระคุณพระเจ้าเราไม่ทําให้ใครพอใจเนี่ยเราทำพระเจ้าพอใจไหมเหรอและสิ่งเราเจอเสมอเหมือนกันเมื่อเราทําพระเจ้าพอใจคนอาจจไม่พอใจก็ได้ย่าในสิ่งเราจำทําพระเจ้าพอใจคนอาจไม่พอใจก็ได้ก็คนไม่พอใจก็ไม่พอใจอ่ะแต่คําถามว่าพระเจ้าพอใจไหมถ้าพระเจ้าพอใจทําต่อไป อันนั้นสิ่งที่ยาการุณย์ใจให้มองเห็นนะครับยาเป็นเหมือนเอซาวจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทําความยุ่งยากให้ซึ่งเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปอย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอซาวผู้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียว ก็ทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้พรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำใบเสษเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจเสีงหาจนน้ำตาไหลสิ่งที่เอสาวใช่ว่าพิทธรรมะเป็นคนลาวมกเพราะว่าเขาเอาพระคุณของพระเจ้าเนี่ยไปแลกกับขนมนไม่แค่ถ้วยเดียวอะและชีวิตของเอซาวเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่ ให้พ่อแม่เป็นทุกข์ใจมหาศาลทำตามเพิดใจตัวเองตลอดไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะเอซาวอ่ะแต่ที่สำคัญคืออาหารเนี่ยเป็นบุงบวชถึงสิทธิบุตรทัวปีอะ่ะเพราะเขาไปแลกเอาเอาสิทธิบุตรไ ป, ปแลกอะ่ะดูสิเป็นแค่ถั่วแดงถ้วยเดียวหรือเอซาวคิดว่าสิทธิของฉันก็เป็นของฉันใครจะเอาไปได้ก็พูดส่งๆไปเถอะเพื่อจะได้ขนม แต่โทแดงถ้วยนึงนั่นคือการเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าไม่เห็นถึงความพิเศษแห่งสิทธิบุตรผัวปีนั่นคือสิ่งที่ทำให้สาวธาตุแล้วท้ายเมื่อเขาอยากจะได้พรสองเท่านะเมื่ออิสอัคเอามือวางไอ้ฐานเผื่อยาโคบไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์หมดเลยอิสอัคควรจะไอ้ฐานยังไง ถึงแม้จะรู้ความจริงแต่พรไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนนุนใจมองเห็นว่าเราต้องไม่เพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าที่เราใจเราอยู่เราต้องไม่เพิกเฉยต่อพระคุณเจ้าที่กำลังเคลื่อนไหวในตัวของเราอยู่พยายามตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่กระตุ้นเราอยู่ภายในใจเราความรักพระเจ้าที่กระตุ้นเราในใจของเราจงเคลื่อนไหวไปกับพระคุณของพระเจ้าพยายาม ขอยินใันอีกคงว่าโดยกําลังเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่เมื่อเราเคลื่อนไปกับพระคุณพระเจ้าเราสามารถทําได้ผลการเคลื่อนไหวพระคุณพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าจะอยู่ในเราแต่โปรดจักข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธเต็มขนาดที่นั่นะฉะนั้นคราบเจ้างภูมิใจในมดาความอ่อนแขอข้าพระเจ้าเพือ่อฤทธเดชของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า เมื่อเราสำนึกในพระคุณพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนอ่อนแอถ้าไม่สำนึกในพระคุณพระเจ้าเราจะมีความาสึกว่าเราแน่เราเข้มแข็งเร า, า kim, เราสามารถสู้ได้เราสามารถทำได้แต่เ ม, มื่อเราสำนึกในพระคุณพระเจ้าเราจะรู้ทีว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา ทางพระคุณของพระเจ้าเรารลองเห พ, พระคุณพระเจ้าเยอะพระคุณพระเจ้าบอกว่าอะไรต่างบ้างแต่พระคุณพระเจ้าตัวจริงคืออยู่ในเราที่กำลังเคลื่อนไหวอยูดด่ในเราเป็นฤทธิ์เดชอยในเราและเมื่อเราพึ่งพาพระคุณพระเจ้านะพระคุณความอ่อนแออยู่ไหนเด็กเราก็ไม่ติดสงสารท่านความอ่อนแอบ่งบอกว่ากําลังสํานึกว่าจริงๆเราไม่มีอะไรเลย ถ้าขาดพระเจ้าแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องการถ่มใจนะไม่ใช่เรื่องการถ่มใจนะคนที่บอกว่าถ้าขาดพระเจ้าและข้าพระเจ้าทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องการถ่มใจยกเว้นคนที่พูดไปงั้นแหละขณะที่พูดว่าเอถ้าขาดพระเจ้าข้าพระเจ้าทาอะไรไม่ได้เลยแต่ยังนึกในใจว่าข้าจะคาแน่อันนี้ก็ถือว่าเขาพูดไปตามนั้นน่ะ แต่คนที่พูดออกมาจากใจว่าถ้าขาดพระเจ้าเราทําอะไรไม่ได้เลยเรู้สึกนั้นจริงรู้สึกงั้นจริ ง, ร ง, รงว่ามันทําอะไรไม่ได้ เ, ยเอยนั่นคือส่วนหนึ่งที่ที่อยากให้มองเห็นว่าไม่ได้พูดเพราะความขมใจแต่พูดว่ามันเป็นจริงจริงถ้าขาดพระเจ้าแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยออยากพิสูจน์ไหมก็ลงตามทําการกระตุ้นแห่งพระคุณเจ้าที่เกิดในเรา และลองทำดูแล้วเมื่อทําทำดูเห็นว่าฤทธิ์เดชพระเจ้าอยู่ที่นั่นผลการเคลื่อนไหวในพระคุณพระเจ้าจะได้เป็นบุตรที่ปัจจากตําหนิจงทําสิา่งพัดโดยปัจจากการบ่นและการทุ่มเขียงกันเพื่อทั้งหลายจะไม่ถูกติดเยียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปัจจากตําหนิของพระเจ้าในทรามการพงพันธ์ที่คดโกงและวิปราชท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดลงสว่างต่างในโลก พระเจ้าจะทําให้เราปราศจากตําหนิท่ามกลางคนที่คดโกงและวิป ร, ราชคนที่เคลื่อนไปกับพระคุณของพระเจ้าจะสามารถอยู่ได้ท่ามกลางคนที่คดโกงและวิป ร, ราชและทุกวันนี้เราเห็นคนประเภทมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแต่เราจะสามารถไปได้เลยโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะกลายเป็นดวงสว่างในโลกนี้ดวงอาจจะไม่ใหญ่นัก ก็เป็นดวงสว่างต่างๆในโลกนี้จริงบอกว่าไม่ใช่ใหญ่นะไม่ใช่เราคนเดียวสามารถทําทุกเรื่องได้ก็มีดวงสว่างหลายๆดวงที่ช่วยกันทํานะครับนั้นพระคุณพระเจ้าคืออะไรคือทําให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าให้เราเป็นทูตของพระคริสต์ให้เราเป็นผู้ชอบธรรมสิ่งด่างนี้ให้มันเคลื่อนไหวในตัวของเราและเราเคลื่อนไปกับการรับเช้พระเจ้าเราจะเคลื่อนไหวกับพระคุณพระเจ้าโดยการถวายตัวแด่พระเจ้า ให้บัคคิดเป็นเจ้าชิ้เราและอย่าทําตัวเหมือนเอสาวคือเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าโดยมีข้อแก้ตัวเยอะสำนึกคุณไม่สำนึกแต่ทําไมไม่ทําก็อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามทีห้าแล้วแต่การถือเป็นการเพิกเฉยต่อพระคุณเจ้าที่เร่งเราอยู่ตัวของเราพอสมควรผลในการเคลื่อนไหวพระคุณพระเจ้าฤทธิ์เต็มเจ้าเต็มขนาดในเราเมื่อเรา ไปกับพระคุณของพระเจ้าเดินไปโดยการสํานึกในพระคุณพระเจ้าริเจพระเจ้าอยู่ในเราและเป็นบุตรที่ปาสจากธํานิกในที่นี้ไม่ไแปลความว่าสะอาดบริสุทธิ์แต่แปลความว่าสามารถรอดปลอดภัยได้คุณสามารถรอดปลอดภัย ไ, ด, ไ, ไ ด, ย ด, ด้ไม่ได้แปลความว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดไม่ได้แปลความนั้น แต่แปลควาคุณสามารถรอดปลอดภัยได้ท่ามกลางคนที่คดโกงและวิปราชและคุณจะกลายเป็นดวงสว่างท่ามกลางเขาเหล่านั้นนั้นก็หนุนใจให้มองเห็นว่าคือสิ่งล้ําตันนั้นจงให้พระคุณพระเจ้าเคลื่อนไหวในตัวเราพระคุณพระเจ้าจะทําให้เราเป็นบุคคลอัศจรรย์เลยเระอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําให้กิะจักเกิดการฟื้นฟูได้เระอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้โลกเกิดการฟื้นฟูได้ เราอาจเป็นคนหนึ่งทำประเทศไทยเกิดการฟื้นฟูได้เราอาจเป็นคนหนึ่งทําให้โลกนี้เกิดการฟื้นฟูได้แต่พระเจ้าคงไม่ได้ใช้เราคนเดียวเพราะอาจเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งก็คือว่าในหลายๆคนพระเจ้าไม่ได้ใช้คนเดียวนั่นก็หนุนใจครับว่านี่คือสิ่งที่อยากให้หนุนว่าเรามีพระคุณพระเจ้าในตัวเราและพระคุณเจ้าก็กําลังออกฤทธิ์อยู่ในเราเคลื่อนไหวในเรา สิ่งและคนทำคือพยายามเคลื่อนไปกับพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาพระคุณพระเจ้าสํานึกในพระคุณเจ้าและก็เดินไปกับพระคุณของพระเจ้าเราจะเห็นการสัจจันทร์ที่เกิดขึ้นมากมายและจะเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นนั่นก็หนุนใจครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่ามมองเห็นแล้วก็เมื่อไปที่กัมพูชามาก็มองเห็นสิ่งนี้ชัดโดยพาะในทำกลางพี่น้องคริสเตียนที่กัมพูชาเขาไม่มีอะเลย แต่โดยพระคุณพระเจ้าเขายอมนะแล้วก็ถึงขนาดว่าเมื่อเขาย้ายอยู่หมู่บ้านหนึ่งก็อยากจะตั้งโบสถ์ที่หมู่บ้านนั้นถึงแม้ไม่มีอะไรเลยนะเป็นเลขศูนย์ก็บายฐานเผื่นะจะตั้งโบสถ์ที่นี่เพราะว่าได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านนี้นไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์แต่เขารู้ว่าพระคุณพระเจ้าอยู่เขาพระเจ้าจะช่วยเขาสามารถทำได้เขาทา นั้นก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งต่างนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันดนตรีจะเล่นเพลงเชื่อแหละฟังคำนักร้องช่วยร้องใจอฐานพระเจ้าด้วยกันหน้าที่ของเราคือว่าเมื่อพระคุณพระเจ้าได้ทำงานในตัวของเราอยากให้เราเคลื่อนไหวไปตามพระคุณของพระเจ้าดยการเชื่อฟังพระเจ้าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้า อาจจะดูหนักในภาพรวมแต่พระเจ้าสามารถช่วยได้ฮาเลลูลยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราเชื่อฟังการเคลื่อนไหวของพระเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ในใจของเราที่พระเจ้ากระตุ้นเตือนให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณเราเป็นคนไม่มีอะไรเลย แต่พระเจ้ารักเราพระเจ้าดูแลเราพระเจ้าช่วยเหลือเราและเมื่อเราเคลื่อนไปตามพระคุณของพระเจ้าเคลื่อนไปด้วยจิตมึนงังกันสํานึกในพระคุณของพระเจ้าจะทําคนอื่นมองเห็นฤทธิ์เดชพระเจ้าในตัวของเราคนอื่นมองเห็นพระเจ้าในตัวของเราจะทําให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าสนใจในพระเจ้า อยากจะมาเชื่อพระเจ้าเพราะเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าในตัวของเรา yes, yes, yes, yes. เห็นต่างการเคลื่อนไหวพระคุณพระเจ้าในตัวของเราผ่านทางชีวิตของเรา ส, สันเสริและขอบพระคุณพระเจ้าขอพ ร, ระเจ้าช่วยให้ข้าพองค์หลายมีกำลังขอพระเจ้าช่วยขงหลายที่ทาสา ม, มารถเดินไปกับตรงได้ขอพระเจ้าช่วยขงหลายท่ไม่ดูถูกดูหมิ่นพระคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าพงหลาย แต่กั้งหลายชกเวยชกเฉยชกเฉยพราะคุณพระเจ้าที่เคลื่อนไหวตัวทั้งหลายได้ก้าวไปกับพระคุณพระเจ้านั้นพราะคุณพระเจ้าบอกว่าพระองค์สามารถช่วยเราออกมาได้เพราะคุณพระเจ้าก็สามารถบอกว่าเราสามารถก้าวต่อไปได้และพระคุณพระเจ้าก็บอกเราว่าเราสามารถช่วยคนอื่นได้ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะว่าพระคุณพระเจ้าได้สําแดงแล้วชีวเราว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และมีความรักมากมายต่อคนในโลกนี้ผ่านทางชีวเรา สรรเสริญขอบขอพระคุณพระเจ้าฮาเรลูยาพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าฮาเรลูยาสรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเรลูยาให้เรามีการได้ฟังเสียงพระเจ้าที่ตรัสในจิตใจของเราผ่านทางพระคุณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวของเราพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านทางพระคุณพระเจ้าที่ปรากฏขึ้นในตัวของเรา พระเจ้าจะพูดกับเปราบนพื้นฐานของพระคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชิตของเราสันเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสันเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าฮาเล е ลูยาโอชิราราบาการาบากาลฮาเล е ลูยาชันตระบาการสันเสริญพระเยซูสันเสริญพระเยซูขอบุญญาเคลื่อนไหวทับกังหลายหลายสามารถสัมผัสได้กับพระคุณของพระเจ้าอยู่ในตัวทับหลายที่เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกและปรากฏชัดมากขึ้น และทั้งหลายมีใจอยากจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนว่าสิ่งนั้นจะมีปัญหาขนาดไหนแต่เราเชื them, darling, <tour> ่อว่าโดยพระคุณพระเจ้าทา้งหายได้เห็นฤทธเดชของพระเจ้าเมื่อทั้งหลายทําตามน้ําพระทัยพรงศ์ทําตามที่พรงศ์ได้ตรัดในใจทั้งหลายแต่ละคนขอบพระคุณพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสผ่านเราบนพื้นฐานแห่งพระคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นในตัวของเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า โอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่มีทางอื่นนอกจากเชื่อฟังพระเจ้าและทําตามน้ําพระเจ้าเรียนรู้ทําตามน้ําพระแท้เจ้าฝึกฝนที่พระเจ้าช่วยเราให้สามารถทําตามน้ําพระไทยพระเจ้าได้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าฮาเลดุยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าโอ้สรรเสริญพระเจ้า าเมนสันเสริมพระจาราจ์ห้าเลย ห, ลหล่งสั่นเสริมพระจารย์ให้ไปไหนเต็มใจไปยินดีทำตามพระทยัยไมงกลัวแต่จงเชื่อและฟังเชื่อและฟังคำพ่อมหมครับ เชื่อและฟังคำไม่ท้องอื่นเที่ท<า>ยงธรรมไรสูตรให้ความสุขแก่ผู้เชื่อเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่ท้องอื่นเที่ยงธรรม รพระอิปุปนให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำใครเจ็บป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นใครทุกข์ใจเอามือวางที่หัวใจงท่านไม่ว่าความเจ็บป่วยภายนอกหรือความเจ็บป่วยภายในหรือท่านอาจจะใช้ความเชื่อในการลึกถึงคนที่ท่านรักและรู้ว่าเขาเจ็บป่วยอยู่ พุทเจ้าอวยพรทุกมือที่วางไปว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในหรือเป็นการใช้ความเชื่อแทนผู้อื่นซึ่งเราอยากให้เขารับการรักษาซึ่งมาจากพระองค์โดยฤทิ์ประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยแผลรอยเค้นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซต อาการเจ็บป่วยทั้งสิน้นจงหายเป็นปกติสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าไว้พรทุกคนที่อาจจะทุกข์ใจเหนื่อยใจท้อใจหมดกำลังใจรู้สึกเหารู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกเจ็บปวดเป็นเหมือนภูเ ข, ขาที่ทับที่อกในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซา ขอสั่งภูเขานี้ลอยออกไปและขอพระคุณญาติเจิมประธานสสุข ค, ความชื่นชมดีเหนือเขาทั้งหลายทุกคนเพราะความชื่นชมดีในพระเจ้าเป็นกําลังของข้าทั้งหลายทั้งหลายจึงสรรเสริญขอบคุณในความรักความไม่ต่างพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณปรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนได้พรครับ